ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธารชนทั้งหลายการรมยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดเรื่องอธิปไตยสูตรวสรที่ว่าด้วยอธิปไตยหรือความเป็นใหญ่ผู้มีพระเจ้าทรงจำแนกเรื่องการประรบสิ่งต่างๆของบุคคล เราก็ให้ความแก่ให้ความต้องการแก่สิ่งเดียนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ในการประพฤติการกระทาความดีของตนหรือการลาาความชั่วของตนและเป็นการสะท้อนพฤติกรรมความคิดของคนในโลกในกรนีท่านตั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราก็เจออยู่เป็นอันมากเช่น พูดถึงเรื่องชีวิตของคนประเภทที่เรียกว่ามืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปกับบุคคลเหล่านี้ก็มีอยู่ก่อนแล้วในโลกเพียงแต่ทร ง, งทรงสะทอนให้ดูและแสดงถึงเหตุปัจจัยต่างๆทั้งที่ทเป็นอนดีตและปัจจุบันที่บุคคลเรานั้นประพฤติกระทำ อำนวยผลให้เขามืดมาแล้วก็มืดไปบ้างมืดมาแล้วสว่างไปบ้างหรือสว่างละสว่างมาแล้วมืดไปบ้างหรือว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปบ้างเพราะแนวทิเไตยมันก็เหมือนกันหมายความว่าคนเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วในโลกนี้เพียงแต่สะท้อนมาให้ดูแล้วก็ให้คนฟังเนี่ยเทียบเคียงเอาเองว่าจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ ประเภทแรกเรียกว่าอัตราทิปไตยจะมีตนเป็นใหญ่หรือประลบตนเป็นใหญ่ซึ่งอันที่จริงก็ใช้ได้ทั้งด้านบวกและวก็ด้านลบแต่ที่ทรงแสดงไว้เป็นหลักในประสูนย์นั้นก็เน้นไปที่ด้านบวกหมายความว่าคนบางคนก็มาประลบถึงตัวเองที่เกิดมาแล้ว หรือว่ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกรรทำอย่างไดอย่างหนึ่งเราก็มีจิตสานึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่เหล่านั้นล้วก็ทำหน้าที่ของตนไปให้ดีที่สุดถึงแนวนี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นไปเพื่อความดีเหมือนกันที่ทรงยกตัวอย่างว่าคนประรบถึงตัวเองที่เกิดมาแล้ว ก็ถูกครอบงำด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลัดพรากอย่างที่เราสวดในปินหาปจัจเวกขณะมองชีวิตที่ตกอยู่ในสภาพทั้งสี่ประการนี้ว่าเราไม่มีเครื่องกาหนดหมายว่าชีวิตนั้นจะแตกลับงตรงไปเมื่อไหร่ แล้วก็รีบเร่งจช้การใช้โอกาสเหล่านั้นประพฤติกระทำความดีที่จำนวยผลเป็นความสุขในชาตินั้ น, น, นและก็ในชาติต่อๆไปตลอดถึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมาผลนิพพานในการประรบตัวเองอย่างอย่างนี้ท่านจะท่านทั้งหลายจะเห็นว่านม่คือแนวของกรรมฐานที่ นำมาสั่งสอนนั่นเองกรประทานบางอย่างนั้นมาเริ่มที่เราเช่นมอนัสติคือการนึกถึงความตายก็เริ่มที่เรามองว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วในสุดก็ตายและตายเมื่อไหร่มันก็ไม่รู้ด้วยเพราะไม่มีกำหนดหมายของชีวิต มองชีวิตของเราคล้ายๆกับเรือนที่ถูกไฟไหม้เรือนจะพังเมื่อไรก็ไม่รู้แต่พังแน่แล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะเอาของมีค่าออกมาจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ทมไมความประรคความตายของเรานี่เป็นหลักหรือพวกจากคานุสติพวกศีลานุสติก็ประรคที่ตัวเองเป็นหลัก กรลึกถึงศีลของเราที่รักษาที่สมาทานไปแล้วมีการรักษามีความถูกต้องสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วก็พยายามทำศีลในประณีดมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะรักษาศีลไม่ได้สองวันแล้วก็ขาดก็อาจจะพยายามยืดแต่เป็นสาวันสี่วันพยายามไปเรื่อยๆแต่บางทีก็พยายามในแนวที่มันประณีดคือแนวที่ลึกลงไปประณีตลงไป น่ไม่ค่าเองไม่ใช้คนอื่นค่าซึ่งเป็นการผิดศีลโดยตรงแต่บางทีก็ผิดธรรมะนะฮะคือมีความชื่นชมยินดีในผู้ค่าหรือยกย่องผู้ค่าแสดงว่าใจยังมีความาคาดพยาบาตรยังมีความโกรธมีการจองเวรต้องการเห็นความปีบาตรเดือดร้อนเกิดขึ้นกับคนเราอื่นอยู่ใจก็ไม่สงบ กายไม่กายไม่ทุจริตบุญจีไม่ทุจริตจริงแต่ว่ามโนมันทุจริตแล้วก็ปรับเลิกลงไปเรื่อยๆจนใจมายินดีในการฆ่าในผู้ฆ่าแล้วก็สงบอยูญญ่ด้วยสติสัพจัญญาโดยเมตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นการประลกที่ตัวเองหรือบางครั้งบางคราวเราก็มาประลบความปฏิกูลของร่างกาย จะเรียกว่ากายยากะตาสติก็ดูที่กายเรายกกราผมขนและฝันหนังมาดูดูอาการต่างๆที่ปรากฏแก่ร่างกายล้วก็เป็นผู้มีความเพียรมีสติไม่ประมาทดิปล่งใช้การโอกาสอาศัยร่างกายซึ่งมีความเปื่อยหน้าวมีความผุพังไปตามธรรมชาติ ล้ายๆก็นั่งไปในเรือที่กำลังรั่ววิดนามก็วิดไปนะฮะต้องรีบพายรีบจำรีบพายไปเพื่อให้ขึ้นฝั่งให้ได้และเรือก็ต้องทิ้งแน่นอนโอกาสหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแน่แต่ในขณะที่ยังอาศัยอยู่ก็ต้องอาศัยกันไปหรือเป็นการประรบ ที่พูดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่ทรงยกตัวอย่างมาในพิสูจน์ใยกความแก่ความเจ็บความตายการแพ้โดยการมองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นครอบงําชีวิตแล้วก็ปลูกเร้าจิตใจตัวเองให้เกิดธรรมะสามข้อนะฮะคือสามข้อนี้ที่จริงก็เป็นหลักอยู่เรื่อย ในสติปัฏฐานก็พูดเรื่องนี้ในพูทชงก็พูดเรื่องนี้ในประวัติของพระองค์เองก็พูดเรื่องเนี้ยธรรมะสามข้อคือเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีเจตจานงมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำตัวนั้นหลุดรอดจากอานาจของกิเลสบ้างอํานาจของความทุกข์บ้างก็แล้วแต่จะปรารบแต่หมายความเป็นการปรารบจากข้างไหน ือจากจุดนี้บางทีมันก็ถูกใายไปในทางที่ที่ไม่ดีนะฮะคือการให้ความต้องการแก่ตัวเองจนขาดการยอมรับนับถือความคิดความเห็นของบุคคลอื่นขาดการประนีประนอมกับบุคคลอื่นทุกคนจะต้องเชื่อตามที่ตนพูดทุกคนต้องเชื่อความคิดของตัวเองเชื่อความคิดเด็นของตัวเองก็ออกมาแนวที่เราพูดออกพัฒนการ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าผิดเสมอไปนะฮะบางทีก็อาจจะถูกก็ได้แต่ว่าจะไม่ยอมรับฟังความคิดความเห็นของคนอื่นก็เรียกอัตตามันใหญ่และในที่สุดคนเหาเนี้จะโดดเดี่ยวตัวเองคือถูกโดดเดี่ยว ใครก็ไม่อยากไม่อยากจะเกี่ยวข้องครบาหาสมาคมไม่อยากร่วมหลักความคิดอะไรเราก็มีแต่ชี้นิ้วบงการสั่งการอยู่ดีๆแนวตาธิปไตยจึงใช้ไปในทางดีก็ได้นะฮะใช้ไปในทางไม่ดีก็ได้ถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปมันจะเห็นอาการอย่างหนึ่งว่า ที่ใช้ไปในทางดีเนี่ยหมายความว่ามีปัญญาเข้ากกับเข้ากับสิ่งที่ตัวมองสิ่งในตัวรู้สิ่งในตัวเห็นแล้วก็มีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงเหล่านั้นบางอย่างจะมีการแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนะ เช่นเรื่องศีลานุสติเรื่องจาระานติที่ยกตัวอย่างมามันก็มีการเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นเฉยๆคือเราไปแก้ไขตรงนั้นไม่ได้เช่นประรคความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราก็ไปแก้ไขตรงนั้นไม่ได้แต่ถือว่าชีวิตที่ต้องมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีการตายเป็นธรรมดามีการพลาดพราดเป็นธรรมดานี่ ธรรมดาทั้งสี่ประการนี้ธรรมดาคือความตายนะมันตัดร้อนทำให้เราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะทำความดีแต่เมื่อเขายังไม่เกิดเราก็รีบเร่งรีบเร่งกระทำความดีและอาจจะอาศัยตัวความแก่ความเจ็บความตายในเป็นครูในการ พ, รพราลาดพลาดอะไต่างๆเป็นครูที่กระตุ้นเตือนเรียนปนัญหาเรื่องชีวิต ที่ทรงสอนใหสวดเอวังโมยวังภาวีวังนาติโตตงุงตรงนี้เราจะพบบ่อยที่สุดคือศึกษาวธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างเนี้สภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีชีวิตใดที่รุงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราไม่ไปแก้ตรงนั้นแต่เราใช้การเวลาเราใช้ตัวเขานั้นเป็นเครื่องมือใช้การเวลาที่ผ่านมาถึงข้าวรีบเร่ง กระทำความดีตัยการมองใกล้ๆกระเรือรั่วใกล้ๆกับเรือรนที่ถูกไฟไหม้หนันกล่าวตัวนี้มันก็ได้ประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็อาจถูกใช้ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ตระการหลงตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองให้ความต้องการแก่ตัวเองกับประรบด้วตัวเองถามทำไมเป็นเช่นนั้นเราก็ว่าขาดปัญญาเข้ากากับ การกกับตรวจสอบที่จะมองตัวเองให้ชัดเจนคือเข้าใจตัวเองได้ถูกต้องอย่างที่เคยเล่าถึงไม่รู้ใครเขียนเนี่ยนะฮะแต่ว่าไปพบในหนังสือของเจ้าคุณธรรมอธิรราชมหามุนีวัดมาธาตุทันเทปสิทธิ์เนี่ยนะฮะจะดูว่าข่ม ท่านบอกว่าดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนทำดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนคิดดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนพูดแล้วก็แนวข้ออัดดันอยู่ตาคือรู้จักตัวก็กล่าวไว้คมเหมือนกันบอกว่าเกิดเป็นคนคนให้ทั่วหมายความว่าเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นคนให้ทั่ว หรือคนที่เป็นอาการคือคนครุกคร้าวกันในตัวปากไม่ล้นโกนไม่รัวชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนก็คมนะฮะท่าจะเอามาจากไหนอีกต่อหนึ่งก็ไม่ทราบตัวตัวว่าคมมากเป็นการสื่อด้วยภาษาไทยที่ง่ายต่อการเข้าใจโดยการสอนให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวเองและแก้ไขได้ อัตันยูตาจึงใช้ได้ทั้งทางบวกทางลบแต่ว่าให้ความสงคัญก่ตัวเองเวลาเรียนหนังสือที่เราเรียนกันโดยทั่วไปหนังสือธรรมิภาคประเจตสองเนี่ยก็แปลว่าอัตตันยูตาไอ้ไม่ใช่อัตตาที่ประายความมีตนเป็นใหญ่เป็นการแปลเป็นการแปลง่ายๆและต้องอธิบายที น, น เป็นการแปลตามสำนวนของพระอารตาถาจารย์ท่านแปลไปเท่านั้นการต่อไปคือโลกาที่ปไตยความมีโลกเป็นใหญ่คือการประรกความคิดความเห็นของชาวโลกแต่ก็เป็นชาวโลกที่เป็นวินยูชนโดยอรูจารนี่เป็นหลัก พุทเจ้าพระหันทั้งหลายเทวดาที่มีท่ประเนตรท่ประกัณน่นะฮะปรากฏตรงนี้ซึ่งซึ่งซึ่งทให้เราเห็นว่าคติไทยเราที่สืบสานมาจากใสรปูมพร่วุงมันก็น่าจะได้ความคิดจากตรงนี้ที่ถือว่าคนเราจะทำอะไรก็ตามก็อยู่ภายใต้การรับรู้ของเทพบุตรเทพธิดาที่มีท่ประเนตรท่ประกัน หรือว่าทำอะไรไปแล้วก็จะมีโยมมาบานคอยจดไว้ทำชั่วก็จดไว้บนแผ่นหนังสุนัขทำดีก็จดไว้บนแผ่นทองคำแล้วคงจะได้มาจากตรงนี้ก็ทำให้เกิดแนวคิดในการควบคุมตัวเองแต่สรุปว่าเรายอมรับนับถือความรู้สึกนึกคิดของบินยูชนข้างนอก ถ้าเรามองกลับไปเรื่องหีเดีโอตปะที่เคยที่เคยพูดไว้เราจะเห็นว่ามันก็สอดคล้องกันโอตปะนี่มันปรารกฏข้างนอกจะปรารกฏสิ่งที่เราทำว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยโอกาสต่อไปเราอาจจะต้องตีเตียนตัวเองได้หรือว่าถ้าทำไปแล้ววินยูชนจะตำหนิตีเตียนอันนี้คือคือตรงนี้ ตัวกระลของโลกาธิปไตยหรือการถูกจับกลุมคุมขังหรือการถูกการตกนรกคือแต่ละอย่างเนี่ยก็แสดงมาให้ความสำคัญแก่ปัจจัยข้างนอกแต่ในพุทธจริงๆเนี่ยจะให้ความสำคัญแก่บินยุชนออถ้าถ้าเราให้ความสำคัญสาคัญหมดก็ยุ่งไปแก่เมื่อคืนวานคืนวาน ไปบญญรรยายรมที่จังหวัดชนบุรีคืนก็กลับมาดเด็กอะพูดเสร็จแล้วโยมก็ขอขอถามปัญหาพูดเสร็จแล้วออกมาแล้ ว, ออลวโยมนบนกลับก็ไปอีกเที่ยวนะึงขอถามปัญหามันมีปัญหาที่ที่น่าคิดนะฮะเวลานี้เราก็ไม่ค่คยรู้ว่าเรื่องเหล่านี้มันมันมีการเผยแพร่ ก, กันอยู่ในสังคม มันมีคําสอนที่มาจากไต้หวันจากจีนจากไต้หวันจากจีนจากญี่ปุ่นแนวเดียวกันสอนสอนดีนะถ้าพูดถึงคําสอนไม่มีปัญหาหรอกคาสอนเนี่ยประคำสอนเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องกตัญญูเรื่องรักพ่อรักแม่เรื่องความสะอาด อ, าอะไรอะไมันก็ธรรมดานะมันมันเป็นมันเป็นศีลธรรมจัญญาธรรมดา ใครก็สอนได้ใครก็อธิบายได้แต่ปัญหาสำคัญวิธีการบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าขวงคือเขาอ้างว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาใครเนี่ยไปสวรรค์ได้แต่ใครมาติดต่อกับเขาแล้วเนี่ยเขาสามารถจะแซงคิวให้ได้สามารถไขประตูสวรรค์ได้สามารถที่จะนำเข้าไปอยู่ในสวรรค์ได้โอ้น่ากลัวมากเลยเก่งมาก แล้วก็แปลกที่ชาวพุทธเราเชื่อในขณะเดีวยวกันแกก็เข้าวัดฟังธรรมยำสีได้แก่ก็เชื่ออย่างนั้นแต่คนเหล่า น, นี้ก็มาหลอกเอาเงินออทองของคนไทยเราไปเยอะด้วยโดยล่อดยสวรร่วนแล้วก็คล้ายๆกับเตรียมที่ไว้นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนกับจัดสรรที่ดินในปัจจุบันพูดแนวโครงร่างจัดสรรที่ดิน มีแผ่นดินสวรรค์รอไว้แล้วนะฮะมีแผ่นดินสวรรค์รอไว้แล้วไปคาดกระจองไว้ก่อนนะฮะผ่อนชีหลังคือดาวก่อนผ่อนชีหลังมันเป็นความคิดเหมือนเหมือนเหมือนกระจองบ้านมันก็จองบ้านจองที่ดินแต่มันสอดคล้องกับความการรับรู้ของคนในสังคมปัจจุบันในเหล่านี้ที่จริงก็มีแม้ในศาสนาคริสต์จะมีคนเขาเคยมาคุยกันมา ลูกเขาไปไปนับถือคริสต์เนี่ยเพราะว่าก็เปิดจองแผ่นดินสวรรค์ไว้เราก็ถามเล่นๆว่าแผ่นดินเฉยๆเลยไม่มีอาคารบ้านเรือนอะแผ่นดินเฉยๆก่อนบอกโอ้ยของศาสนาพูทธก็มีวิมานไว้เสร็จเลยนะดีกว่าเข้าไปถึงอยู่ได้เลยเข้าไปถึงอยู่ได้เลยนี่เธอต้องไปสร้างบ้านอีกตั้งนานเป็นความเชื่อที่คนสมัยนี้นี่เขารับรู้เขาเข้าใจ แล้วก็ก็ยอมไปนับถือฟังโอ้เทศดีมากๆทั้งๆที่มีล่ามแปลนะฮะคือพวกยีนพูดยีนพูดรือว่าญี่ปุ่นพูดรื้เกาหลีพูดรู้ภาษไทยไม่ได้แล้วก็มีล่ามแปลโอ้เทศเพราะมากดีมากนี่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่ชาวโลกนะฮะแต่ว่าเราขาดปัญญาขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิพิจารณา มาบอกว่าโยมดูง่ายๆอย่างนี้อย่าไปดูให้ไกลขนาดนั้น น, นะหมายความว่าถ้าแกไปสวรรค์ได้แกสามารถที่จะนำใครไปสวรรค์ได้นะ่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องแกนะไม่คงไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็นำมาอยู่สวรรค์หมดแล้วแหละดูเหมือนกับพระบอกหวยนะ่ะดูง่ายๆอย่างงั้นว่าถ้าแกบอกหวยได้จริงๆนะ่ะญาติพี่น้องแกร่ำรวยหมดแล้ว แล้วแกก็ไม่จําเป็นจะต้องหากินในการบอกหวยหลอกกระแทงเองเลยรวยไปเลยหมดเรื่องไอ้นี่คือสิ่งที่จะต้องคิดต่ออ่ะนะะหมายความเป็นสิ่งที่จะต้องคิดต่อไปแล้พวพออธิบายไปแล้วญาติโยมก็ถามเอาทำไมพระไม่ช่วยบอกชาวบ้านบอกบอกได้จรินไหนเล่าบอกก็หาว่าพระไปริษยาเขาพระถูกด่าต่อไปอีก นี่คือภาวะที่เรียกว่ากืุนไม่เข้าข่ายไม่ออกคือพูดไม่ออกแต่เมื่อที่รู้อะไรก็รู้แสนรู้นะครับแล้วมามีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพวกโยเรพวกเสียงมันมูลพวกอะไรอย่าเออที่มาจากเวียดนามคนเนี่ผู้หญิงอะ่ะสิ่งไหญ่อนุตตรอาจารย์อะไรต่างต่างเนี่ยก็มีเยอะฮนะเอกสารหลักฐานรูปหรือคำสอนน่ยมันดีอะ่ะมันไ ม, ไม่ได้มีแปลกอะไรตัวคําสอนเนี่ย แต่วิธีการนั้นเราเห็นในชัดชัดว่ามันขาดความสุดสดิทธิ์คือมีการหลอกลวงในชัดเจนตัวการจะไปอะไรในคนเรามันเป็นกรรมของของแต่ละคนมันไม่มีใครที่จะเปลี่ยนอย่างนั้นได้หรอกเพราะแม้แต่ในโลกปัจจุบันจริงๆมันก็เปลี่ยนขนาดนั้นไม่ได้ไม่ต้องเอาถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องนิพพานอะไรต่ออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะใจของคนแต่ละคนเท่านั้นเพราะในโลกาทิพไตยเนี่ย มันก็ต้องใช้ไปในแนวสร้างสรรค์หมายความชาวโลกมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีบางทีเราทําชั่วนี่ถูกดา่าแต่ถ้าเราไหวไปตามโลกเราก็ต้องทําเออไม่ใช่เราเราทำดีนี่ถูกดา่าสาหรับคนทั้งหลายเนี่ยบวันก่อนเรามาไปอบรมที่กระทรวงหนึ่งยังขำ ลูกน้องเ้านินถาทิบดีทิบดีทิบดีก็เป็นลูกศิษย์มาหัวทิบดีคนนี้ใช้ไม่ได้เลยจ้ะยังเหลือเวลาสีทสิบ้านาทีจะไปรับลูกมาก่อนก็ไม่ได้ต้องออกจากเวลาออกจากสถานที่ราชการตามเวลาราชการเลยออกก่อนไม่ได้เนี่ยคือเขาเคร่งครัดกฎเกณฑ์รักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองก็ถูกดา่า ทีนี้ถ้าที่ปดีเห็นความสําคัญของเสียงด่าอย่างนั้นก็บอกเอาอีกสี่สิบ้านาทีใครจะรับลูกอาบน้ามาหุงข้าวที่กระทรวงก่อนก็ได้นะเดีกกรมก่อนก็ได้อย่างนั้นมันก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งชอบในขณะเดียวกันเนี่ยมันผิดกฎเกณฑ์มีบินยูชนทัดจำเนี่เห็นไหมว่าที่จริงถ้าเราชนเป็นเกณฑ์แล้วนจะเอาเอาเกณฑ์อะไรไม่ได้เลย ยังที่เคยเล่าคำกล่อมเด็กเขยได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะแต่ทุกวันยังหาหาต่อให้หมดแต่ยังไม่ครบมันด่าคนเดินด่าคนเดินก้มคนเดินเงยด่าคนเดินปากปิดด่าคนเดินปากเผยด่าคนเดินคอตะแคงซ้ายเดินด่าคนเดินคอตะแคงขวาอย่างนึกมันมันมันจะไม่ด่าใครบ้างเน่นะมันจะไม่มีคนที่ไม่ถูกด่าเลยไม่หาเรื่องด่าจนได้ พัแนวโลกาทิปไตยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหมายความว่ามองในมุมที่เราจะได้ประโยชน์ไม่ใช่อ่อนไหวไปตามกระแสของชาโลกเกิดตื่นเต้นไปตามกระแสของชาโลกแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไระคล้ายๆกรารตื่นประชาธิปไตยอะไรไปไหน น, นี้ก็เหมือนกันต้องเลือกกราษฎรเลือกคณะรัฐมนตรีเองมันมีที่ไหนในโลกเนี่ย มันไม่มีเลยในโลกเนี่ยรัฐดรไม่เรียกคณะรัาฐมนตรีนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีในโลกนี้แล้วไม่มีประชาธิปไตยใ น, นโลกไหนเลยคือคนก็มีตื่นไปแล้วก็เฮโลสลภาตามเขาไปนั่นแสดงว่ามันถูกกระแสโลกดูดยุคโลกานุวัตนเนี่ยนะฮะถ้าขาดปัญญาขาดหลักแล้วเนี่ยจะถูกกระแสโลกมันดูด เช้านี่ตื่นเช้าฟังวิทยุปรากฏว่ามีคนฆ่าตัวตายนะเล่นบอลแพ้หมื่นหนึ่งเห็นจดหมายสั่งเสียบอกเมียไว้นะฮะว่าแพ้บอลไม่ไม่ไม่ไม่มีเงินจะคืนก็ขอลาไปก่อนนะฮะว่าชาติหน้าพบกันใหม่เมียก็ไม่ขอพบแล้วแหละคนขนาดนั้นนะเล่นบอลแพ้แล้วไปหนีตัวแล้วก็ทิ้งลูกจิ้งเมียเดือดรอ้อนเนี่ยเขาไม่ต้องการพบเราเนียวัดที่ฐานพบกับเขาอีก อันนี้ก็ก็เราจะเห็นว่ามันมันถูกกระแสโลกดูดแนวรการวัดยึงเป็นแนวที่น่ากลัวนะตาขาดสติสมัญญาแล้วเพราะงั้นการมองเนะี่ยพระเจ้าสอนมองมองว่าดูว่าการกระทำอะไรก็ตามจนถึงมาความคิดเนี่ยว่าความคิดเนี่ยเราเราเราอาจจะจะรู้สึกว่าไม่มีใครรู้ว่าเราคิดยังไงอะ่ะ แต่ว่าคนจะต้องรู้ว่าคนรู้ความคิดคนนี้มีพูะเจ้าทรงรู้ด้วยเจตโตปริยานทรงรู้ด้วยอาเทศนาปฏิหารเจตโตปริยานก็คือรู้ใจถ่ายใจเข้าใจคนอาเทศนาปฏิหารก็เหมือนกันก็คือรู้ใจคนรู้ความคิดของคนคิดยังไงวเวลานี้เขาคิดยังไงเนี้ยก็รู้เพราะ่าถ้ารู้อย่างเนี้ยมันมันจะเกิดการคุมความคิดได้ อายต่อความคิดอย่างที่เคยเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องอาหารและท่านเจริญสมะธิเจริญกรรมฐานไม่ได้ผลมันมีปัญหาเรื่องอาหารอุบาสิกาท่านหนึ่งท่านเป็นพระนาคามีท่านรู้จิตนะฮะรู้จิตว่าพระเนี่ยขาดข้องอะไรขาดแคลนอะไรแล้วท่านก็สงเคราะห์มีฐานะร่ำรวยทีนี้พระที่ท่านกลัว รบาลอุบาติกาในรู้ความคิดอ่ะแต่ถ้าเราคิดไม่เหมาะไม่ควรอุบาติการู้แล้วอายก็ตายเลยก็หนีหนีมาจากวัดนั้นไม่ยอมไม่ยอมอยู่วัดนั้นมากราบทูลหลพ่อเจ้าพ่อเจ้าไล่ไปอีกออกไปเลยไปไปอยู่ตรงนั้นแหละเธอคุมความคิดของเธอไม่ต้องไปสนใจคนอื่นให้คุมเฉพาะความคิดของเราวาติการู้มันก็รู้ในความคิดที่ดี แล้วในสุดอุบาติกาก็เข้าใจถึงสิ่งที่ท่านขาดแคลนท่านเดือดรอ้อนแล้วก็สนับสนุนท่านก็เปลียนเพียนมนุู้ ม, มากขึ้นไปนี่ก็แสดงว่ายอมรับความคิดว่าคนสามัญชนเนี่ยไม่รู้ความคิดจริงแต่ก็มีข้างนอกเนี่ยก็รู้ความคิดมีพระพุทธเจา้าพระหรันทั้งหลายมีเทวดาที่มีอิทธานุภาพเดี๋ยวก็รู้ความคิดหรือพระรยะทั้งหลายเนี่ยท่านรู้ความคิด แล้วเกิดละอายแก่ใจอันนี้แนวแนวอุตรปะที่ชัดเจนก็เกิดละอายแก่ใจที่จะตั้งใจสารวมระวังประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามโดยอาศัยการยกย่องการส่งเสริมสนับสนุนของชาวโลกแต่เน้นที่ินยุชนนะฮะเน้นที่ิยุชน เพราะเราจะเห็นว่าจากจากจุดนี้ก็จะกลายเป็นตัวผลักดันให้มีการประพฤติการกระ ท, ทาท้งละเว้นความชั่วและการประพฤติความดีโดยมองจากการกระตุ้นเตือนการยกย่องการทานีของบินยูชนข้างนอกยอมรับรับถือความคิดความอ่านของบินยูชนแต่ให้ความสาคัญต่อความคิดความอ่านข้อเสนอแนะการบอกกล่าวการชี้แจง ขอาวิทยุชนทั้งหลายซึงเราจะพบว่าตรงนี้ก็ทำให้ได้หลักเยอะเหมือนกันแต่ต้องไม่แกว่งนะฮะแต่ต้องไม่แกว่งถ้าแกว่งแล้วยุ่งจังเหมือนกันนะนะแกว่งตรงไหนคือแกว่งตรงที่มาของความเชื่อถือการอยอมรับนับถื อ, อยันที่เคยสังเกตแม้ในหมู่ชาวพุทธเรา ไปไปไปเยอะนะเราเจอปัญหาเนี้ยเยอะคือบางชีนี่เขาเอาความคิดของใครกันไม่รู้มาหักล้างสิ่งที่เป็นพระพุทธวจนะเขาว่าอย่างเนี้ยเขาว่าอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างนี้เขาไห น, น, นก็ไม่รู้อ้างก็เรื่อยเลยเขาว่าอย่างนี้ทั้งทนี้ตัวเองก็ได้ศึกษาแล้วเรียนมาจากหลัก ที่เป็นพระพุทธวจนะอันเป็นผลตรงมาจากการจัตรูมันน่าจะมั่นคงในตรงนี้ mm. ก็แกว้งแก้งไปตามข่าวลือแกว้งไปตามเขา ว, ว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยอันนี้เราตรงนี้เราสูญเสียเวลาไปเยอะเพราะไปใส่ใจไปให้ความสำคัญแก่คนที่ไม่ควรแก่การสนใจใส่ใจ ก็เหมือนกับที่พระเจ้าเสด็จกรุงโกสัมพีอย่างที่เคยเล่านานมาแล้วนะฮะที่ว่านางมาคันยาจ้างให้คนดา่าเนี่ยคุจะเห็นว่าพระเจ้าก็ก็ปล่อยก็ด่าเฉยๆถือไม่ไปเดือดร้อนเพราะเรื่องดอกนั้นคือคนพาเนี่ยเขาก็เป็นเขา อ, อย่างนั้นเองอะ่ะแต่เราไปเดือดร้อนไปเต้นหรือไปลดตัวไปด่ากับเขาด้วยหรือไปโกรธเขา ก็แสดงว่าเราก็ลดตัวลงไปก็ปรับสติสัมปชัญญะของเราก็ใช้ความเพียรพยายามในการลดละในการประพฤติปฏิบัติตามตามคำบอกกล่าวชี้แจงแนะนำตักเตือนของวินยญชนหรือบางทีก็ปรารบ รบหลักต่างๆที่วิญู่ชนท่านวางไปกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้เ้วก็ยึดถือพระพฤติปฏิบัติไปตามนั้นแต่หมายความว่าการให้คนชอบหมดคงไม่ได้อีก น, นะฮะมันก็มีคนไม่ชอบจยงนั้นแหละแต่ว่านั่นก็คือเรื่องของเขาเรานึกดูถึงว่าพระพุทธเจ้าเองพระหันทั้งหลายก็มีเยอะที่คนไม่ชอบ ไ้ไหนคนถูกดา่าบางรูป ก, ก็ถูกตีนะฮะถูกตีหัวบางทีก็ถูกฆ่าก็มีมันจะเอาอะไรกากคนข้างนอกแล้วก็มาปรับเฉพาะข้างในแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้างนอกจากคตินิยมจากความเชื่อถือข้อตำหนิข้อท้วงติงข้อแนะนำอะไรต่ออะไรของคนทั้งหลายเราสามารถจะหาประโยชน์ได้เยอะแยะไปหมด ในลัทธิปาธิปไตยก็คือหมุนไปตามโลกแต่ว่าไม่ใช่ให้ความสําคัญแก่แก่ทุกๆคนเนะ่ยนะฮะคือยอมรับรับถือสถานภาพของคนทุกคนในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ว่าความคิดความอ่านของเขาเราไม่จําเป็นจะต้องไปยอมรับเสมอไปเราไม่ต้องปฏิเสธความเป็นคนไม่เสดความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไป ยอมรับนับถือความเชื่อถือของเก่แนวตรงนี้ท่านเห็นว่ามันก็คล้ายๆประชาธิปไตยที่เราพูดแต่ประชาธิปไตยจริงๆนถ้าเราถามว่าในโลกเนี่ยวิชาการในเกี่ยวประชาธิปไตยนิยามไว้กี่กี่ความหมายนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะสามร้อยกว่าความหมายนะที่เยอวเย้วกันอยู่นี่เคยอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงๆมันมีอยู่สามร้อยกว่าความหมายประชาธิปไตย แล้วพวกเหล่านี้ยมานั่งเฉียงไปจนตายะนะมันหาข้อยุติไม่ได้อย่างเอาอังกฤษอเมริกามานั่งเถียงก็หาข้อยุติไม่ได้คนะรับเพราะรูปแบบส่วนหัวเราจะเห็นว่ามันต่างกันแล้วก็ส่วนภูมิภาคเองดจริงก็ต่างกันอังกฤษอเมริกาแต่บางกคนเ้าก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยอแนวประชาธิปไตยเป็นแนวที่น่ากลัวคือเราใช้เสียงข้างมากเป็นข้อยุติที่มีความเสี่ยงอยู่สูง มันเหมือนกับเราโจรห้าสิบมาประชุมกับพระห้ารูปเนี่ยพระระดับอา จ, จารย์เอาพระอรหันต์ก็ได้นะฮะเอาพระอรหันต์ก็ได้เลยเอาหมาโจรห้าสิบมาประชุมร่วมกับพระอรหันต์ห้า ร, รูปพระหันแพ้ทุกทีโวดไปเถอะนี่ทางอะฮะแต่อะไรคือความถูกต้องก็ไม่รู้อะของพระหันนั้นแน่นอนถูกต้องแต่พอโวตเข้าเนี่ยฮะ มันก็แพ้โจนะครับเพราะเสียงข้างมากเพราะะนั้นที่ที่จริงแนวแนวนี้เป็นแนวที่เสียงเสียงเป็นเสียงตายไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่มาอยู่ในกลุ่มหล่านี้ถ้าหากว่าขาดพื้นฐานของคุณธรรมศีลธรรมแล้วอาจจะสร้างปัญหาได้อีกมากไปหลกาที่ปไตยจที่จริงถ้าเราใช้บังก็ได้นะครับเพราะในโลกมีวินอยู่ชนเยอะ ทีคนดีเยอะที่ถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นฐานคือให้ความสําคัญแก่วินอยชนที่จริงถ้าเรามองกระบวนการธารรมะอย่างที่เคยพูดเมืก่อนว่าธรรมะนั้นในหนึ่งก็คือตัวสภาวธรรมที่อยู่ภายในใจ2ก็คืออาการที่ปรากฏทางกายทางวาจาสาก็คือตัวคนที่มีความคิดมีการกระทํามีการพูดอย่างนั้นแล้วก็สี่ก็คือตัวผลที่เกิดขึ้นจาก คนคนนั้นแล้วผลนั้นมันก็ไหลเป็นเป็นความผ่านภพชาติอะไรต่างๆไปเยอ่จะเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความเสือ่อมความเจริญเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นนิพพานก็ว่าไปเรืๆๆ่อยๆ น, นั้นก็คือผลแนวโูปกาธิปไตยนั้นก็คือเอาตัวคนนะตัวคนที่มีสภาวะคุณธรรมอยู่ภายในใจแสดงอาการทางกายทางวาจา ออกมาแสดงออกมาทางกายทางวาจา ก, ก็เป็นเรื่องของความดีงามพูดดีทดําดีคิดดีนะฮะมันมาจากการคิดดีแล้วก็กลายเป็นคนคนนั้นคือคนดีจะเรียกว่าวินยูชนอันนี้มันได้เกณฑ์นะเป็นได้เกณฑ์มาตรฐานในการกําหนดเพราะที่งจริงมันเป็นการสะท้อนธรรมที่คนคือทํามันอยู่ที่ใจคนแล้วคนก็สะท้อนออกมาก็เป็นคนดีเรียกว่าเป็นวินยูชนวินยูชนก็คือคนที่รู้ดี ร, รู้ชอบรู้เหตุรู้ผล แล้วจนน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวแนวของของพระพุทธเจ้าตอนเดวินชัยศาสตร์ที่จริงมันก็มองจากจากโลกมาก่อนนะมองจากคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะซึ่งอยู่นอกพระองค์มาก่อนแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือเรียนรู้สัจจะของชีวิตตลอดถึงในก่อนที่จะรู้ที่จริงก็เรียนมาจากข้างนอก แล้วก็นํากลับมาของพระองค์ก็ใช้ทั้งสองอย่างแต่ก็มีเกณฑ์ของธรรมะเนี่ยเป็นเกณฑ์คือว่าเวลาตรวจสอบจริงๆไม่ได้ตรวจสอบตรงนี้ไม่ได้ตรวจสอบที่คนหรือตรวจสอบที่พระองค์แต่ตรวจสอบที่ธรรมะคือดูความหมดไปของกิเลสและความสมบูรณ์พร้อมของธรรมะเป็นเกณฑ์อยู่ในสํานัการาณบทก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ดูที่ประถ่ายของพระองค์คืดูธรรมะภายในประถ่ายของพระองค์ว่า มันมีความสมบูรณ์ไหมกิเลสหมดไปอย่างสมบูรณ์ไหมปรากฏออกไม่สมบูรณ์ไม่มไสมบูรณ์ก็อย่างไม่ใช่ที่สุดที่สุดแห่งทุกข์ในทสุดก็บำเพ็ญเพียรอย่งเกิดญาณเนี่ยที่เราเคยศึกษามาในเรื่องธรรมจักเรื่องอนัตเรื่องอจิตะปะยาไสสูต ร, รประสูตรต่างๆในจบลงในแนวนั้นธรรมะที่ปิปไตยไม่ใช่โลกาที่ปิปไตยก็ต้องลงมาใช้ในทางดีเหมือนกันก็พุทธเจ้าใช้ในทางดีหมด ะแต่หมายความมันโดยลักษณะแล้วมันออกมาได้ทั้งสองทางคือทั้งดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับเราให้ความต้องการแก่ชาวโลกกลุ่มไหนบางกลุ่มก็แรงนะฮะแล้วเขาเข้ากลุ่มกันมันมันไอ้สิ่งที่เขาทํามันกลายเป็นความถูกต้องสมบในกลุ่มเขาแล้วถ้าเราไปให้ความต้องการกับคนกลุ่มนั้นมันก็แย่เหมือนกันในที่สามนั้นเป็นธรรมารธรมารถิปไตย คือมีจุดอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่ความถูกต้องความดีงามเป็นกฎกติกาที่มีลักษณะสากลเรื่องธรรมะจึงกลายเป็นเรื่องสากลท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพวกธรรมดาทั้งหลายเนี่ยมีความแก่ความเจ็บความตายการพระราคเป็นธรรมดาไมาเป็นสากล่ะทั่วโลกนะจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ตกอยู่ในสภาพเหล่านี้นั่นก็คือธรรมะ มีความเป็นสากลทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสความโกรธความโลภที่เกิดขึ้นภายในใจจะทําจะพูดออกมาในลักษณะไม่ดีแล้วก็เป็นสากลระนมาเกิดที่ใครก็ตามจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่จริงสภาพจิตเราคล้ายๆกับ เกี่ยวกับสภาพจิตที่จริงถ้าสภาพจิตเราดีเนี่ยความโกรธมันเกิดไม่มากเกิดได้ไม่มากความรุ่งก็เกิดได้ไม่ม า, าม ก, ก, กดดมมาแต่การต่อไปนั้นก็คื อ, เ, อเรื่องเรื่องธรรมะเนี่ยก็เอาเกณฑ์ของพระธรรมคุณเนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์นนในการกําหนดในการพิจารณาหมายความเอามาพกกัตรงเนี้ยพบว่าที่กฎเกณฑ์คือความถูกต้องเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐาน เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยตัดสินซึ่งเกณฑเหล่านี้ที่จริงมันมีอยู่ทุกเรื่องนะครัคล้ายๆเราพูดถึงตรงไม่ตรงเราก็มีไม้บรรทัดมาวัดกว้างยาวเท่าไหร่นะฮ ะ, ะเราวัด้วดยนิ้วเราไม่ได้วัดโดยตาเราไม่ได้มันไม่จะข้อยุติแต่ถ้าเราวัดโดยไม้พูดไม้เม็ดมันจะเป็นข้อยุติทั่วโลกน้าหนักเท่าไหร่ แต่ช้ตัวเองเราก็ระ บ, บาดร่วมกันก็มีเครื่องช่างเครื่องวัดอยู่มีเครื่องช่างอยู่ทีนี้เรานี้ที่จริงมันเป็นเกณฑ์นในการกําหนดแล้วก็ยุติข้อถกเถียงแล้วก็มีความเป็นสากลมาทั้งหมดจึงจึงมีความสากลหมายความว่าลงกันได้แล้วก็ยอมรับกันได้พอะอย่างเนี้ยทันนี้ร้อนอย่างนี้หนาอย่างนี้หนักท่า น, นี้กว้างยาวท่า น, นีต้ตรงไม่ตรงอย่างนี้ เพราะว่าธรรมะมันจะเป็นเป็นเป็ น, ปนมาเป็นเกณฑ์วัดอย่างนี้นสวากขาตูภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วคือใจคนต้องยอมรับตรงนี้ถ้าไม่ยอมรับตรงนี้มันมันไปไม่ได้เพราะอะไรพอไปวัดปับ๊บโอ้ยพระพุทธเจ้าแสดงไม่ถูกไม่ถูกอย่างที่เมื่อคราวเกิดเรื่องอะไรแต่แต่แ แต่ 2, ะสามดสองปสามสองนี่ควรเขามาหาสมาธิกุติเป็นทนายนะฮะทนายคนหนึ่งกระจกจากต่างประเทศคือเขาบอกว่าให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวินยัยปัญหาเรื่องโปริรักนะถามว่าทำไมแกบอกวินัยมันมานานแล้วมันล้าสมัยเดี๋ยวนี้มันโลกมันเจริญแล้ว เห็นยุค ข, ข้อมูลข่าวสารและวินัยมันบัญญัติตันตั้งแต่สองพั้ากว่าปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้คือหมายความอะไรก็ตามที่ที่มันขัดกับความรู้สึกแก่และแก่ขอให้ไปแก้ที่วินัยหมดเลยแก้ที่วันธรรมะโอ้ยพระสูตรนึงก็ลอกมาผิดถ่ายทอดมาไม่รู้กี่ภาษาแล้วนี่ก็ถ่ายถ่ายทอดมาผิดกงควรจะแก้ไขบอกคุณอย่างนั้นก็ทําไม่ได้หรอกมันดูไม่ได้โอ้ยแกโวยวายร้องโ hom ร้องไห้อารวาจใจเลย นี่ก็คือคืออะไรคือคนที่ปฏิเสธว่าพระธรรมไม่ยอมรับว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วยอมรับในกรณีที่ชอบใจตัวเองถ้าตัวเองชอบก็ยอมรับถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ยอมรับมันก็เป็นแนวคล้ายๆกับเรื่องที่นักขอคิเวสนะที่เป็นหลานพระศาสดบุตรเรื่องนี้ที่เคยเล่าเรื่องประวัติพระพุทธเจ้านะฮะคือการเสนอพระพุทธเจ้าว่า แกมีความเห็นว่าสิ่งทั้งพวงถ้าไม่ควรแก่แกแล้แกก็ไม่ชอบใจถ้าควรแก่แกแกชอบใจขึ้นมาอย่างนั้นนะนะมากกว่าใช้อัตราเตปไตเป็นหลักเจ้าบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอด้วยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอด้วยเพราะอะไรเพราะแกใช้ทั้งพวงทั้งหมดอสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดนี่นะครับว่าทั้งพวงทั้งหมดจริงมันไม่มีอะไรเหลือในแง่ภาษานะฮะ ทั้งปวงทั้งหมดแล้วก็จบครับคนทั้งหมดต้องตายคนทั้งปวงต้องตายเนี่ยหมายความมนไม่มีไม่มีใครเหลือไม่มีใครมีข้อยกเว้นเพราะฉนั้นการใช้คํำของแกเนี่ยมันไม่รัดกลุ่มผู้เจ้ารับสั่งเออก็ถ้าอย่างนั้นความเห็นของเธอก็ต้องไม่ควรแก่เธอโดยเธอก็ต้องไม่ชอบใจความเห็นของเธอโดยหมายความว่าไงหมายความว่าความเห็นของแกก็อยู่ในคำว่าทั้งปวงทั้งหมดนั่นแหละแกก็รู้สึกตัวนะฮะแล้วเสร็จแล้วผู้เจ้าก็ส่งสอนส่งอธิบายให้เหตุผล นักแกก็ได้ดวงตาให้ทำอันนี้ก็หมายความเราต้องยอมรับพระพระธรรมนั้นพระเจ้าทรงแสดงไว้ทีแล้วถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ทีหลังจะแกล้งเขาอ้างหีริอ้างวัตถาหุ้ยไม่ถูกหอกทำไมาอย่างนี้พระเจ้าแสดงไม้ถูกอย่างนี้ก็จบมันก็พูดไม่ได้นะฮะผู้กกนไม่ได้เราเห็นไหมฮะท่านจะวางสวัสดิ์คาตัวเอาไว้นี่เป็นหลักเลยยอมรับตรงนี้ไหมอ่ะเชื่อตรงนี้ไหมถ้าไม่ยอมรับก็เลิกพูดเลย วพราะต่อไปเนี่ยมันมันจะเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ไม่ได้เพราะเราชอบเราก็ยอมรับไม่ชอบเราก็ปฏิเสธเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้แต่ถ้าเรายอมรับตรงนี้ว่าเป็นคำสอนที่สรงแสดงไว้ถูกต้องดีแล้วสมบูรณ์ดีแล้วไม่มีอะไรยิ่งอะไรหย่อนอะไรต้องเพิ่มแม้บางข้อมีข้อเดียวมีคำเดียวนะมีคาเดียวแต่ว่าก็ไม่ต้องเพิ่มกระไรนะสมบูรณ์แล้ว สติโลกัสมิชาคาโอธรรมะเป็นเครื่องตื่นสติเป็นธรรมรื่อตื่นในโลกข้อเดียวนะฮะข้อเดียวหมายความว่าไม่ต้องพูดอะไรมากปฏิบัติสติอย่างเดียวถ้าสติสมบูรณ์แล้วท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ได้เลยไม่ต้องพูดเรื่องข้ออื่นนะนะเห็นไหมข้อเดียวตัเองทําคนเป็นพระอาหารหันต์ได้ปัญญาโลกัสมิปัโชโตปัญญายาบริสุทธิติ คนจะบริสุทธ์เพราะปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสดงเอาปัญญาข้อเดียวไปนี่ผ่านได้เหมือนกันนั่นคือทำธรรมะในเราไม่ต้องยุ่งท่านข้อเดียวก็คือข้อเดียวเลยสองข้อก็สองข้อมันเป็นสูตรของท่านเราเชื่อตรงนี้ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้มันน้อยไปนะเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกัมมมหลุดตลุดเลยเช่นว่าหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยเคยพบ เกิพวกคนก็ไปเติมว่าผู้เจ้าแสดงไว้น้อยไปโลกมันเปลี่ยนแปลงคนมันมากขึ้นไปเติมเพิ่มข้อผู้เจ้าแสดงไว้ห้าข้อเท่านั้นนะแสดงที่ไหนมีห้าข้อเท่านั้นทุกทีเลยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าห้าข้อทั้งหมดหน้าที่ของพ่อแม่ก็ห้ามปรามลูกไม่ทําความชั่วให้ประพฤติขอนให้ประพฤติปฏิบัติความดีให้ศึกษาเล่าเรียนนะอตกแต่งให้มีครอบครัวแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้เท่านั้นนะ่ะสอนห้าอย่างห้าอย่างตลอด ไม่เคยเพิ่มข้อที่หกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเพิ่มท่านนะเพราะในภาคปฏิบัติแล้วมันคลุมทั้งหมดเลยวิชาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริบาลทารกทาร ก, ากดูแลเด็กอะไรแต่ไรก็ตามเนะี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดที่เราเขียนเป็นตัวหนังสือกมาเพราะความเชื่อตรงนี้จึงถือว่าเป็นหลักถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้มันก็เดินไม่ได้แล้วต้องเชื่อคําว่าอากาลิโกด้วยนะ เชื่อกับว่าอาการลิกโกเลยว่าธรรมะนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ใช่ล้าสมัยไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยคือว่าเป็นเหมาะสมก่สมัยอยู่ตลอดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็ เ, เป็นเขาอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงในตัวขององค์ธรรมคือชื่อธรรมะเนี่ยเป็นชื่อบัญญัติเรียกเอาอเรียกว่ารเรียกว่าตะปะได้ยัะะยงไงก็ได้ไม่ได้บ้ไรหรอกแต่ว่าตัวสภาวะ นะตัวพยัญชนะกับสภาวะเนี่ยเรียกอัฐะอัฐะคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาเนี่ยภาษามันเปลี่ยนได้ภาษาไทยเราก็เรียกอย่างน่ยภาษาบัลลีเรียกอย่างอังกฤษ็เรียกอย่างก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าตัวสภาวะมันไม่เปลี่ยนคล้ายๆกันเย็นเนี่ยสภาวะเย็นภาษาเยอะเรียกนะเป็นร้อยๆภาษาเรียกแต่ที่จริงก็คือเย็นนะถือเย็นคือสภาวะที่เย็น สภาวะที่ละอายต่อบาปจิตมันเกิดละอายต่อบาปรังเกียจบาปปรีเรียกว่าฮิริเราเรียกว่าละอายหรืออาจจะเรียงเกียดขยะขยงอะไรอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะสัพ์เนี่ยใช้ได้เยอะเรียกศัพท์นั้นภาษานั้นเป็นบัญญัติสมมุติบัญญัติเอาแต่ว่าตัวสภาวะมันจะเป็นเข้ามันอย่างนั้นดะงนั้นเราต้องเชื่อถึงความเป็นอาการลีโกแต่ไม่ใช่ภาษาภาษานะภาษาเปลี่ยนได้ไม่ว่ากันภาษาเปลี่ยนได้ไม่ว่ากัน แต่ว่าพยัญชนะเปลี่ยนไม่ได้ไอ้ไม่ใช่เนื้อหานี่เปลี่ยนไม่ได้มันไม่เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้มันไม่เปลี่ยนเป็นยังไงก็เป็นก็มันยางงั้นแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมึงจะเหมือนกันกับทุกคนที่ปฏิบัติผลจะเหมือนกันในผลระดับสมาธินะท่านเห็นว่าจากจากสมาธิขึ้นไปในผลจะเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราได้ปฐมฌานเราใช้อารมณ์อะไรก็ได้แต่ถึงปฐมฌานก็คือปฐมฌาน ทุกคนนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกันองค์ชานจะเหมือนกันแต่ข้างล่างนี่ไม่เท่ากันนะฮะมันมีความยิ่งความยอนกันดูถ้าถึงระดับสมาธิขึ้นถึงฌานแล้วเนี่ยจะไปด้วยกันก็จะเหมือนกันแล้วจ ะ, จะอธิบายแทนกันได้นะฮะอธิบายสภ า, สภาวะของจิตหรือสภาพจิตนี้แทนกันได้ถ้าองค์หนึ่งเทศองค์ฌานมาถึงสององค์ฌานเกิดไม่สบายให้องค์หนึ่งเทศต่อก็อธิบายได้เหมือนกันนะ ถ้าสัมผัสตรงมานะจะอธิบายได้เหมือนกันแต่ว่าคนฟังจะเข้าใจลึกซึ้งก็คงเข้าใจไม่ได้นะฮะต้องต้องปฏิบัติเราเองเพราะมันเป็นผลมันเป็นผลทีนี้ธรรมะนั้นเราจะพบว่ามันมีเอกิปติโกอันนี้ไม่ได้เรียงนะะไม่ได้เรียงหมายความเราจะเรียงตามหลักว่าเราต้องจับตรงนี้เราต้องเชื่อตรงนี้ว่าเชื่อความเป็นสวาัสดโก็เชื่อความเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา เพราะถ้าไปคิดว่าเป็นไม่ยอมรับจุดนี้ก็เหมือนกับเรื่องที่ล่าเนี่ยขอให้แก้ตรงนั้นขอให้แก้ตรงนี้ให้แก้วินหน่อยให้แก่ธรรมะด้วยนะให้แก่ธรรมะด้วยเลยบอกว่าไม่ได้หรอกคุณคุณเห็นแก่อาจารย์เอาคุณคนเดียวนศาสนานี่เข้ามาสองพันกว่าปีแล้วนะก็รักษากันมาสองพันกว่าปีแล้วคุณจะแก้พระธรรมวินัยลงไปเพื่ออาจารย์คุณคนเดียวซึ่งไม่กี่วันจะตายไนดะ้ไหมไม่ได้หรอก ศา ส, สนาต้องอยู่คนตายได้นะฮะศาสนาต้องอยู่หลักสัจธรรมต้องอยู่คนมันก็ตายกันมาเยอะๆแล้วตายกันไปทุกวันเนี่ยนะะเพราะงั้นตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่จับแล้วเชื่อเลยต้องเชื่อตรงนี้เพราะถ้าไม่เชื่ออย่างอื่นมันจะไม่เกิดานะเห็นไหมโอปัญิโกคือไปสนใจศึกษาถ้าเราไม่รู้พระเจ้ า, าแสดงไว้ดีก็ก็ๆๆไม่ได้คิดจะอ่านจะฟังจะสนใจอะไร แต่เราไม่เชื่อบอกเป็นอากาลิโกเราก็ไม่สนใจนะเฮ้ยมันล่าสมัยแล้วนี่มันพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดแล้วเงินมาตั้งแต่ไม่มีพศนั่นแสดงสองพันกว่าปีแล้วมาเรื่องนั่นไปคือเราต้องเชื่อตรงนี้แล้วก็เป็นหลักเลยจับสองสองคำนี้ให้ได้วสวัคาโตอากาลิโกเลยสวัคตัวอาการลิโกเป็นคําสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วไม่ประกอบด้วยการไม่ขึ้นอยู่กับการ เ ป, งงเป็นอย่า ง, ง, ง, อ ง, อาา ไ, งไงก็เป็นอย่างนั้นทรงสอนเรื่องอบายมุกไว้อย่างไงก็เป็นอย่างนั้นเบนี้กำลังทะเลาะกันว่าจะเลื่อนไปตีสามดีหรือเปล่าอยู่เนี่ยมันก็เป็นอบายามุกนะฮะเริ่ ม, เ ร, มเริ่มจะเลื่อนไปเลื่อนคนจะตีกันบ้านพังไปแล้วอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมทีนี้เพื่อจะพิสูจน์ทดสอบหรือเพื่อจะนำมาประพฤติปฏิบัติมันต้องเริ่มที่โอปนนิโกคือ ไม่ใช่อุปนญิโกคือเอหิปัติโกคือการศึกษาการพินิษพิจารณาการคนา้นฟ้าสอบทานเทียบเคียงเรื่องเหล่านั้นธรรมะนั้นจะต้องผ่านมาตรงนี้คือผ่านการศึกษาเรียนรู้แล้วเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ไปเนี่ยเราจะมองเห็นธรรมะที่มีอยู่ทุกๆอย่างอย่างที่เคยเล่า ว, ว่า สูตรของคนที่สุดยอดนะฮะเราใจนั่นสุดยอดทางหมอนี่คือหมอชีวโกมาราภัสสุดยอดทางรู้ธรรมะคือพระพุทธเจ้าหมอชีวโกมาราภัสตนั้นทุกสิ่งเป็นยาหมดนั่นแสดงว่าสุดยอดของหมอแล้วเห็นทุกสิ่งเป็นยาหมดพระพุทธเจ้าเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมะหมดเพราะสมบัสมบัติพระพุทธเจ้าและหยิบอะไรขึ้นมาเทก็ได้เศษกระดาษแผ่นเดียวพระพุทธเจ้าก็ เ, เทได้การอย่างแล้วไม่ต้องกลัวหรอเทได้เรียบร้อยเลย เพาจริงๆแล้วนี่เป็นเขาเรียกว่าสุทธะธรรมาประวัตตันติธรรมล้วนๆมันหมุนไปอรียบบททั้งหลายคนเราแต่ละคนที่จริงก็คือกระบวนการของธรรมเป็นลักษณะของธรรมเป็นอาการของธรรมเป็นผลปรากฏของธรรมตกลงว่าเป็นธรรมารวนๆนะคือสุทธะธรรมาประวัติตันติธรรมล้วนๆที่มันหมุนกันไปเราหยิบอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วเราจะไม่มีคําว่าคดีโลกคดีธรรม แล้วจะไม่ติดใจอะไรในรูปแบบนะไม่ติดใจรูปแบบว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนันแต่มองกันอย่างงี้ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือธรรมะเอาตรวไหนก่อนก็ได้นะได้ตัวไหนก่อนก็ได้จะมองใกล้ๆกับใกล้ๆกินอาหารนี่ยนะฮะกินอาหารที่มีรูปแบบหรือกินไม่มีรูปแบบที่จริงก็คือกันเนี่นะก็อาหารอยู่ในท้องด้วยกันมันผ่านระบบย่อยของเครื่องข้างในดังนั้นเนี่นะ การมองนั้นเราจะเห็นว่ามันมีระบบก็ได้หรือไม่มีระบบก็ได้กินได้ก่อนก็ได้คนบางคนถนัดจะกินหวานก่อนก็กินไปก่อนไม่หวาอะลรก่อนจะกินข้าวมานั่งกินผลไม้ซะก่อนก็ไม่หวานอะไรกินไว้เถอะเราก็อยู่เสร็จแล้วมันย่อยมันเองอ่ะมันเหมือนกันนะั่นแหละนะแล้วก็เอาสมมติว่าให้หมอไปวัดคุณค่าทางอาหารก็คือการนะนะั่นแหละเห็นไหยว่าอันนี้คือคือจะไม่ได้สนใจอะไร ไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนี่ะนะะไม่ต้องเท่านั้นหรอกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนคติจีนนะฮะคติจีนที่เติ้งเสี่ยวผิงนั่นชอบพูดออกมาว่าคมนะตรงนี้กคมาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่ารูปแมวสีอะไรอ่ะมันจับหนูได้ก็แล้วกันหรือไม่ต้องไปติดใจมันมันไม่ได้จับที่สีนะมันจับที่ความเป็นแมวนะมันจับที่ความเป็นแมวมันได้จับหนูที่ความเป็นสีขาวสีแดงสีดําอะไร จับที่ความเป็นแมวเพราะฉะนั้นธรรมะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือมันกระจายกิเลสได้กระจายความทั่วได้มันอยู่ที่ความเป็นธรรมะและธรรมะนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจอาจจะเป็นอาการอาจจะเป็นตัวคนหรืออาจจะเป็นตัวผลแล้วมันก็เป็นธรรมะที่สามารถหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงศึกษาได้ทุกทางทุกวิธีอย่างแบบ ของพระอริยะบุคคลทั้งหลายที่เกิดยกตัวอย่างนะฮะว่าก็ไม่เห็นมันมีรูปแบบอะไรอนางปตาจาราดูน้ำล้างเทา้าพิจารณาน้ำล้างเทา้าผองลุมมักผลเป็นประหารนางกีสาโคตมีดูเทียนพระบางองค์ดูน้ำบางองค์ดูน้ำค้างบางองค์ดูใบไม้หมล่นบางองค์ดูก้อนเมฆบางองค์ดูพยับแดด ลองดูต่อมน้ำไม่เห็นไม่ไม่เห็นมีรูปแบบอะไรเห็นไว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองก็คล้ายๆไม่ใช่ธรรมะแต่อย่าลืมพระพุทธเจ้าตัดสร้กับท่อนไม้นะดูท่อนไม้สามท่อนเนี่ยนะดูท่อนไม้สามท่อนท่อนไม้เปียกแช่น้ำท่อนไม้เปียกวางบนบกท่อนไม้แห้งวางบนบกเนี่าหัจดูจากท่อนไม้แล้วก็จากนั้นไปก็ตัดสันั่นคือการมองทุกสิ่งทุกอย่าง ในแง่กตธรรมะแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติตามสมควรแก่ฐ า, านะกตธรรมะเ่าเน้นหมายความอะไรที่ทรงสอนให้กำหนดรู้เราก็กำหนดรู้อะไรที่สอนให้ลดละก็ลดละอะไรที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติก็ประพฤติปฏิบัติอะไรที่เป็นเป้าหมายก็คือเป้าหมายเราเห็นว่ามันก็คืออยู่ในโครงสร้างของอริยสัจ แต่ฐานสําคัญเนี่ยมันต้องเชื่อความเป็นสว่ากาโตกับความเป็นอากาลิโกโนะะตรงนั้นต้องมั่นคงแม้นมันจะแกล้งเรื่อยเลยโอปะนิจิโก้เขาว่าทําอย่างนี้ดีกว่านะทำนี้ดีกว่าบางคนเนี่ยุ่งไปหมดเลยกระ บ, บวนการล่าพระอรหันต์วิง่งกันจกจกจๆจไปหาพระอรหันต์ไปไม่พอนะไปหาที่เมืองจีนไปหาจีกงจีกงที่เมืองจีนไปโน่นไปผูกเขอ่อยมาลายไปหาพระอรหันต์กัน พนุทามก็เสียเวลานะ่เสียเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วพระอาหารหันต์ไม่จะเป่าจิตเราพรวดเดียวกิเลสร่วงหมดเลยนะฮะท่านทําได้แค่บอกอุ้เจ้าเองก็แค่บอกอนะเนีแนวที่ว่าตะกี้เราจะเห็นว่าแนวแค่แค่กระเป่าพรวดเดียวหายเลยแนวอะไรเนี่ยแนวแนวอนุตตรอาจารแนวชิงไห้แนวอะไรเนี่ ย, าายที่มาเนี่ยสามารถเปิดประตูสวรรค์นํำก็สู่สวรรค์นะฮะได้นะ มันแบบคิดนะฮะแบบคิดก็ก็ก็คิดต่สันตปาปาก็คือผู Raw. Raw. ้ติดต่อกับเส้นปอดนะเส้นปอนติดต่อกับพระเยซูพระเยซูติดต่อกับพระเจ้าอ่าสันตปาปาคือตัวแทนของพระเจ้าในโลกมนุษย์แต่ว่าเส้นปอนอ่าสันตปาปาเองก็ติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้นะต้องติดต่อกับเส้นปอนเส้นปอนเองก็ติดต่อพระเจ้าไม่ได้ติดต่อกับพระเยซูพระเยซูเท่านั้นเองยังติดต่อกับพระเจ้าได้ เห็นไหมแนวเวเนียแนวของคิดแนวแนวแนวสินค้าสําเร็จรูปในชักจะได้ผลแล้วนะแนวส่งสินค้าสําเร็จรูปจ่ายก่อนผ่อนที่หลังไงนะฮะแบบจ่ายก่อนผ่อนที่หลังเมื่อเข้าไปสู่ระบบของศาสนาซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะไม่มีเหตุผลอะไรมันมันมันไม่ใช่จองที่ดินในเมืองในเมืองมนุษย์มันเป็นเรื่องกระบวนการของกรรมคนละเรื่องกันที่นี้ เมื่อเสร็จแล้วเราศึกษาแล้วก็โอปะนิโกคือน้อมนามาปฏิบัติปัญหาสำคัญ่าการปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ทรงสอนคือ้าทำผิดประเภทไม่ได้นะฮะทุกเนี่ยไปละมันไม่ได้เพราะมันเป็นผลเท่านั้นเองถ้าละต้องละกิเลสแล้วกิเลสเองไปเพิ่มไม่ได้เลยนะฮะไปเพิ่มกิเลสไม่ได้เลยแต่เพิ่มกิเลสแล้วยิย่งมีปัญหาใหญ่เลยกิเลสมีแต่ลดทายัางไงให้ลดให้ได้ แล้วก็ธรรมะนั้นลดไม่ได้ลดมีปัญหาทันทีเหมือนกันนะต้องเพิ่มเขาเพิ่มเข้าได้เท่าไรยิ่งดีกิเลสลดมากเท่าไรยิ่งดีธรรมะเพิ่มได้เท่าไรยิ่งดีนั่นคือการปฏิบัติเราดูตรงนี้ดูการเพิ่มกับการลดนะที่ที่จริงไอ้เพิ่มลดเหมือนกันเย็นร้อนนะฮะหมายความท่าอย่างหนึ่งเพิ่มอย่างหนึ่งก็ลดนะหนึ่งลดย่างหนึ่งก็เพิ่มเราดูตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะดูตัวเดียวก็พอแล้วดูตัวเพิ่มก็ได้นะดูตัวเพิ่มก็ได้ดูตัวลดก็ได้ คำสอนจะมีทั้งสองแนวคือดูทั้งเพิ่มทั้งลดดูเพิ่มก็มีดูลดก็มีนะดูลดก็เช่นดูแบบขาดภาชนะมันส น, นิมหมดไปไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ดูที่เพิ่มด้วยนะมาความความป่องใสความสะอาดของภาชนะนานๆมันเพิ่มขึ้นเมื่อปฏบิบัติไปแล้วก็จะเป็นโอไปเนีไม่ใช่เป็นสันทิติโก ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นปัจตังวิิตโบวินยุชินะวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้จะให้ความสำคัญแก่ธรรมะธรรมะเป็นหลักเหละมีจุดกลางทางความคิดที่ธรรมะดูธรรมะว่าอย่างไงแต่ฐานใจนี่เป็ น, เ, ปนเรื่องใหญ่ย่อต้องไม่แกว่งนะฮะต้องไม่แกวงว่าในสวัสดโตกับอาการิโก พระธรรมพระพุทมีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ขึ้นก่อนเลยนะสวัสดิารา์โตวปวตาธมโมสันทิตโกกาลิโกเระเห็นว่าอกาลิโกกับสวัสดิ์คาโตนี้ต้องจับเป็นหลักต้องเชื่อตรงนี้แล้วไม่แกว้งเพราะอะไรเพราะว่าธรรมานั้นมันเป็นผลตรงจากการศสรุปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนจากปริยัติอย่างธรรมาพูดจริงพูดจากปริยัตนินะนะเราศึกษามาแต่เราไม่บรรลุหรอก เราศึกษามาบางทีเราก็สอนจากภาคปฏิบัติไอ้ปฏิบัติดีที่จริงถ้ายังไม่ถึงโสดาปติผลแล้วมันแกว่งนะ่าดูเลยนะเข้ารถเข้าพงได้เรียบร้อยเลยคนที่ไม่แก่งนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปทีนี้ไอ้แกล้งหรือไม่แกว่งเราก็ดูเทียบเคียงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าไม่ตรงกับที่พระเจ้าทรงสอนก็แสดงว่าท่านนี่แกล้งนะท่านที่สอนโดยปฏิบัติ เป็นเนี้ยมาอบรมพวกวิปัสนาจารย์ยเรื่อยนะฮะเราไม่ได้เป็นวิปัสนาจารย์นะอบรมวิปัสนาจารย์พนะรุ่งนี้ก็จะไปพวกวิปัสนาจารย์อนะไรเราก็เตือนเขานะบอกว่าคุณอย่าไปสอนตามที่คุณเห็นในนิมิตนะต้องเทียบเคียงกับที่พระพุทธเจ้าเคย่อนไม่งั้นเข้าป่ากันใหญ่แหละเอามาดูที่เราเห็นนี่ตรงพระพุทธเจ้าว่าไ ว, า ว, าวา้ตรงไหนเนี่ยพระอระหันต์ทั้งหลายก็ได้เราดูเทียบเคียงกับท่านไม่ใช่ว่ า, วาวเองนะฮะ เพราะว่าคนที่ทิฏฐิสัมปันนะคือว่ามีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสมบูรณ์นะ่ยมีตั้งแต่ประวรดาบันขึ้นไปก็แสดงว่าในโลกนี้มันมีคนอยู่สามสี่ประเภทแต่นั้นเองที่มีความเห็นสมบูรณ์นะฮะคือพวกพระยบุคคลสี่นะมนุษย์สามัญเราไม่มีใครมีความเห็นสมบูรณ์นะเก่งยังไงก็ไม่มีความสมบูรณ์นะมันต้องแกว่งอยู่ระดับหนึ่ ง, งเสมอไปเพราะงั้นถ้าเราจับตรงนี้ได้นะก็จะมีเกณฑ์เป็นเกณฑ์มาตรฐาน แล้วสากลหมายความว่าถ้าเรายึดหลักธรรมะนั้นจะเป็นสากลแล้วก็เข้ากันได้ทุกคนทุกแห่งสำหรับคนที่มีสมาธิบริรงควรด้วยนะฮะมีก็แม้ว่ามีสมาธิิเป็นสมนควรด้วย น, นี่ก็คือเกณฑ์นในการกําหนด ว, วิีชีวิตการตัดสินปัญหาว่าอะไรควรเป็นหลักที่มั่นคงแน่นอนท่านจะเห็นว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะความเพียร มากพอเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งสามอยา่างคือทั้งอัตตาธิปไตยทั้งโลกาธิปไตยและทั้งธรรมาธิปไตยแต่หนักแน่นมั่นคงเป็นสายคนจริงๆนะฮะไม่แบ่งจริงๆต้องเอ า, อาที่ธรรมาธิปไตยเป็นหลักสมหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูนในธรรมจึงมีแต่ท่านสายชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ